เท่าเดิมบ้างมันไม่มีอะไรอยู่เท่าเดิมดอก <c oughs> <c oughs> มีอะไรอยู่เท่าเดิมบ้างไม่มีอะไรอยู่เท่าเดิมเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปไอ้คําว่าไม่อยู่เท่าเดิมนี่คือสัจจะหลักของสัจจะอันนี้จังทุกขังอนาฏตา แม้แต่ความประพฤติของเราก็ไม่มีอะไรอยู่เท่าเดิมถ้าหากมันไม่เะเอียดขึ้นมันก็หยาบลงที่จะอยู่เท่าเดิมนี่ก็ยากมากเพื่อที่จะต่ำลงเพื่อที่จะสูงขึ้นถ้าเราหยุดการฝึกฝนอบรมไม่มีอะไรอยู่เท่าเดิมพระเจ้าท่านตรัสว่านี่แหละทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้งนี่ที่เราสวดทั้งหมดนี่เป็นทุกขงังคือมันไม่อยู่เท่าเดิม นับตังแต่ชาติปีติดุข้าความเกิดเป็นทุกข์ชาติปีตุข้ามความแก่เป็นทุกข์มาราณีปีทุกขั้งความตายเป็นทุกข์เราดูเวลามันเกิดขึ้นเกิดขึ้นกับใครเราดูเถอะมันหดเหี่ยวมันหดหูในหัวใจโอ้เป็นภาระาเกิดขึ้นโอ้มีความเศร้าโศกเกิดขึ้น มีความเหี่ยวแห้งเสียอกเสียใจเกิดขึ้นโฉกะปริเดวะร้อ ง, องห่มร้องไห้ความโศกความร้องไห้ดุกขะโดมนัสสะทุกกายทุกใจดุกขะโดมนัสสะคือทุกกายทุกใจดุกขะโดมนัสสะอุปายาสาติเหี่ยวแห้งใจทุกฤทรมทรมตรองใจมีความทุกข์ มันเป็นทุกข์ทั้งรูปปัจสภาวะมันเป็นทุกข์ทั้งส่วนนามสภาวะคือกิริยาของใจมันเป็นทุกข์ทั้งพฤติกรรมที่เราทํากายกรรมวจิกรรมมนโนกรรมไม่มีอะไรอยู่เท่าเดิมวันนี้เราฝึกฝนอบรมดีล่วงไปสองวันสาวันสีวันลืมหูแล้วลืมหูแล้วนะลืมหูลืมเรื่อง ลืมส้ำเนียบลืมตึกตรองถึงวิชาความรู้ที่เราได้รู้ได้เรียนมาแล้วมันลืมแล้วหย่อนลงหย่อนลงหย่อนลงหย่อนล ง, นลงเหลือไม่เท่าเดิมแน่หนไหมรักษาระดับได้ไหมถ้ารักษาระดับได้ต้องอยู่กับพุทโธตลอดพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอยู่กับพุทโธตลอดมันก็จะไม่อยู่เท่าเดิม มันจะดีขึ้นดีขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้ น, นละเอียดขึ้นประณีตขึ้นละเอียดขึ้นประณีตขึ้นแต่ถ้าหากเราไม่อยู่กับผู้โทเท่าเดิมด้วยเหตุที่เรายังไม่มีคุณสมบัติที่แน่นหนาพอมันก็จะไม่อยู่เท่าเดิ ม, มก็ยยันลงยันลงยันลงยันลง่อ ย, ย, ย, <c ười> ยนึกพุทโธทต้งวันทั้งคืนหนักหนักเข้าคิดถึงกอนเช้าบ้างคิดถึงตอนเที่ยงบ้างคิดถึงตอนค่ำบ้าง ก่อนนอนบ้างนิดหน่อยนี่คขนาน้าวดีนะบางคนบางวันไม่นึกถึงเลยนี่เอาอะไรมาเหลือไม่มีอะไรเหลือเท่าเดิมเลยอย่าลืมว่าภพชาติของของใจของเราที่มันจะไปอบัตินั้นมันไปตามนี้แหละมันไม่ไปอย่างไหนนะ <c oughs> เราเพียงแต่ไปรู้สึกว่ามันไปปรากฏตัวนั้นไปปรากฏตรง น, น, ปปรรงนี้แต่มันมีเหตุของมัน มันมีเหตุของมันนะเหมือนอกับมรคคลิคโคสาราเนี่ยที่ก็าตอบปัญหาพระเจ้าเมลินน่นะนะคนทําบุญได้บุญไหมคนทําบาปได้บาปไหมคนทําดีได้ดีไหมคนทําชั่วได้ชั่วไหมไม่มีเขาปฏิเสธเลยไม่มีไม่มี <c oughs> เขาเกิดเคยเกิดเป็นอะไราตายไปแล้วเขจะไปเกิดเป็นอันนั้นแหละที <c> ่ <oughs> พระยาเมรินท่านเป็นคนฉลาดดิ เป็นกษัตริยามนินมีอานาพาพยิ่งใหญ่มากมีบุญพยามมิินแต่ยังไม่ได้เจอคู่ปรับท่านมัคคลิโคสาระผลของบุญมีไหมผลของบาปมีไหมผลดีผลชั่วมีไห ม, มทำดีไปสวรรค์ทำชั่วไปนรกมีไหมไม่มีปฏิเสธเฉยเลย อย่างงั้นคนที่เกิดอด้วยอัตภาพนี้บ่าใบตายไปแล้วไปเกิดใหม่ก็เป็นคนใบมือขาดแขนมือขาดขาด้วนตายไปแล้วก็ต้องไปเกิดเป็นมือขาดขาด้วนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงใช่ไหมเกิดมาในชาตินี้อัตภาพนี้ตาบอดตายไปแล้วเกิดใหม่ก็ต้องตาบอดอย่างนั้นเลย มันจนมันจนต่อคําตอบที่มีสัจจะนี่คือนักบวชนักบวจนอกก็ศาสนาในยุคนั้นถามปุรณกักสปะเนี่ยท่านปุรนักสษัตป่ะโลกนี้มีอะไรรองรับไว้ปุรนักสปะก็ตอบแผ่นดินเขาว่าแผ่นดินแผ่นดินถ้าแผ่นดินรองรับโลกเอาไว้ ทำไมคนถึงไปอับายไปอเวจีไปมหานรกไปอะไรนี่ยมันหลุดไปได้ยังไงถ้าโลกรองรับสัตว์โลกอยู่จนแต้มอีกหมดปัญญาตอบพวกนี้เห็นพระยาไปลินไปต้องวิ่งหนีพวกนี้ไปเที่ยวถามพระเป็นเมืองเมืองนะึงจนวัดวาร้างไปเป็นเมืองเมืองไปไล่ต้อนจนจนตรอกจนตรอกจนตรอ ก, จ น, รอกจน ม, มุมนั่ะนี่พยาเมลิน คือความจริงกับข้อเท็จจริงกับคําสอนของพระพุทธเจ้ามันไปด้วยกันคือเหมือนอย่างที่เราพูดถึงทุกเมื่อกี้นี่ที่คือทุกข์สัตว์ทุกข์สัตว์ทุกข์สัตว์สัจจ์สัจจ์คือความจริงความจริงคือมันมีนมอยู่ยังไ ง, ม, ม, ม, ง, ม, งมันก็เป็นอยู่อย่างงั้นมันเป็นอยู่ยังไงมันก็มีอยู่อย่างงั้นมีอยู่ยังไงมันก็เป็นอยู่อย่างงั้นเป็นเรื่องของมันเป็นภาวะของมันไม่ขึ้นอยู่กับใครทั้งนั้น เพราะยันรูปสังขารของเราจึงเท่ากันเหมือนกันเกิดมาต้องแก่ต้องเจ็บนเจ็บก็คืออะไรบวกไปถึงป่วยไขย้เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคไตเบาหวานปอดมะเร็งหัวใจเนี่ยวันนี้ก็ไปเยี่ยมศพอาจารย์สายมานะว่าสิ้นใจคนเดียวนะแสดหัวใจกำเริบตกเตียงเลย ตอนเช้ามาหมู่ไปก็บไม่หายใจแล้วอาจารสายอายุแค่ห้าบปดปีนั่นน่ะวัดอยู่ใกล้ๆกล้วัดอาจารยมานานล้ใกล้วิมานเจียอาจารสายภาวาที่ส8บปดเนี่ยโอ้ยทําเพิ่งเย็นดีป่าไม้อยู่ตรงหน้าร้ำนี่ร่มรื่นโปรง่งไม่เหมือนของท้องเตียด้ย ของลงเตีย๋ยหันหน้าเข้าหาผาเข้าหาที่แคบแต่ถ้าของลุงเตีย๋ยเนี่ยที่ทำพิมานเจียร์งามเพดานนี่เรียบยาวเป็นเส้นเกือบเส้นครึ่งแล้วนะอยาวเรียบยิ่งทุกวันนี้ท่านพลเขาเอาไว้อวนเนี่ยไปขึงไว้ข้างหน้าถ้ำนี่ขีกเกียร์เข้าไม่ได้เมื่อก่อนเราไปทีไรเราก็ไม่ค่อยอยากเข้าดอกเราแพ้กันกับไอ้ขี้เกียรเนี่ย ท่านฝนไปอยู่มันเอาอ้วนไปขึงไว้นี่กเกีย๊ยไม่เข้าเลยโอ้ยทำความสะอาดมันวับเลยน่าอยู่ร้อนหน้าร้อนๆไปอยู่เย็นเจียบตั้งแต่ท่านฝนไปอยู่แล้วก็ไปช่วยพัฒนาได้กุฏิหนึ่งหลังสองหลังเดี๋ยวนี้ก็กำลังทำโรงครัวอนเนกประสงค์เป็นบ้านพักบ้านอะไรอยู่ใน น, นั้นเพราะเขาไม่มีที่กินข้าวจริงๆที่เก็บถ้วยเก็บจานก็ไม่มี ไปแปะ แ, ปะแปะไว้กับระเบียงข้างหลังข้างหลังห้องพระนี่ย น, นะระเบียงข้างหลังห้องพระแล้วก็มีระเบียงยื่นไปเม็ดเม็มดเศษเศษเนี่ยเขาก็เอาชั้นวาง <c oughs> ไปวางเสียบๆอยู่นั่นแหละ <c oughs> วันนั้นเราไปฉันด้วยเรามาจากนู้นมาจากไหนไหนเนาะ <c oughs> เรามาจากลุงปูนมีเราไว้ไปฉันด้วยฉ <c oughs> ันเสร็จแล้วไเราก็จะลุกไปห้องน้ําใช่ไหม <c oughs> พอเราโผล่ไปโอ้ยไม่ออกอยู่เต็มข้างหลังเนี่ย <laughs> มันก็เดินตามไหลบุกเขาไปก็เอา้าเลยเลยอันนี้ไปก็เป็นที่ล้างจานี่ไม่ออกเอเอเ อ, อยู่เต็มนั่นแหละโอยก็น่าเห็นใจคนที่เขาอยูนะ่ก็อยู่ยังไงมันเป็นที่หลบหลบี่ๆก็เลยท่านฝนดำริจัดทำเออก็ดีก็เลยอาศัยลูกศิษย์ช่วยกันทำได้ร่วมกันหมดไปแล้ว เจ็ดแสนเจ็นตอนนี้เหลือแสนห้าได้ยินว่าไว้ๆนี้จะมีคนเอาไม้อีกแสนหนึ่งน่าจะเป็นลูกศิษย์อาจารย์มานะอาจารย์มานะท่านก็จะมาร่วมทอดพระป่าด้วยวันที่สไลด์กันไหไมลูกวันที่27ดหรือเปล่าวันที่27ที่ทำวิมานเจียรเราไปเห็นถ้ำแล้วเราเสียดายเราไปพัฒนาเอาไว้ในพระศาสนาสหหมู่ลบไปภาวนาไปหลได้ไปอย่างดี วันนี้ก็เลยไปที่วัดตามวิมานเกียร์ด้วยไปดูไปบอกงานฟังอย่างเขาก็าคิดไม่ออกเขาทําไม่ได้เราก็เลยไปช่วยบอกเขานี่คือเราพูดถึงทำกับทำสายบาตรทำสายบาตรยังไม่ได้พัฒนาธรรมอาจารย์มานะท่านมีห้องสองข้างแล้วห้องฝังง่งนู้นกับห้องฝั่งนี้ แล้ตรงกลางๆก็ลาดปูนตลอดหมดแล้วก็มีพระประธานหนักปลกอย่างดีนะเราให้เจิงไปขนมาปิดทองอยู่นี่แหละพระหนากปลกน่ะแล้วก็ทํากรอบไปจากเนี่ยทํากรอบกระจกเอาไปจากนี้แหละไปตั้งเอาไว้ในถ้าสง่าไรยตอนนี้เมื่อก่อนเน่ย น, นั่งตั้งอยู่ดําปีโคโลอยู่นั่นแหละพเอามาปิดทองมาขัดสีให้ดีแล้วก็ปิดทองนี่มีกระจกเป็นกรอบ เปิดได้ปิดได้ทำความสะอาดโอดูดีส ง, ง่าอยู่ในนั้นแล้วก็ไปทำกติอยู่หน้าถ้ำจะมานาเวลาท่านอยู่ท่นทานก็พักในห้องที่สลาเนยพักในห้องที่สลาคือสลาครึ่งหนึ่งเป็นห้องเนี่ยกงหลังสลาก็คือที่วางถ้วยจานเล็กๆ น, น, น, น้อยๆเนี่ที่วางถ้วยจานคือพระท่านอยู่ไม่มากของเคิองอะไรมันก็ไม่มาก วันนี้เลยไปดู <c oughs> ก็ช่วยเข้าไปทำไว้ในศาสนาทำสายบาทยังไม่ได้พัฒนาพื้นนี่เพื่อนก็เอาแผ่นแผ่นปูนไปปูแล้วก็เอาดินออกยังไม่ลึกพอเอาดินออกยังไม่ลึกพอข้างหนึ่งก็ยังเป็นดินอยู่แล้วก็เตี้ย แต่ว่าต้นไม้หน่าทำสวยเห็นก็ยกดินขึ้นประมาณ4เมตรคูณสเมตรหรือ5เมตรนี่แหละหเมตรคูณหเมตรสูงเกือบเมตรหนึ่งทําเจงตะกอนตอนรามาก็กำลังจะวางวางวางไม้ทําแบบเทปูนเทปูนเสร็จก็คงจะก่ออิฐทําเตาเผาในที่สุดก็ไปเท่านั้นแหะมีอะไรเหลือเท่าเดิมไม่เหลือเท่าเดิม ไม่เหลือเท่าเดิมเลยมันเปลี่ยนไปได้ทุกอย่างเราจะเอาประโยชน์ยังไงจากมันท่านไม่ให้เราประมาทไม่ให้เรานิ่งนอนใจไม่ให้เราตายใจอะไรกับมันทั้งนั้นไม่ให้เราหลงอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงท่านไม่ห้ลงกับมันแต่มันคิดเอาในใจไม่ได้นะถ้าไม่ฝึกไม่หลงรูปกายของเรารูปกายของเขาคิดเอาในใจไม่ได้ถ้าไม่ฝึกฝึกก็คือฝึกกรรมฐานนี่แหละวิชากรรมฐานนี่แหละ มันเป็นได้สารพัดถ้าเราหวังกระยิมยิ้มย่องกับมันสักวันหนึ่งเราทุกขใจแล้วเพราะมันไม่อยู่เท่าเดิมให้กับเราเราดูคนที่เราเคารพนับถือผู้เป็นปู่เป็นยา่าผู้เป็นพ่อเป็นแม่เราดูสิอพอเวลาท่านไม่อยู่เท่าเดิมท่านไปแล้วแล้วพวกเราเป็นยังไงถ้าเราไม่ได้ฝึกฝนอบรมเลยเราก็ ไปแสดงความไม่เข้าท่าร้อ ง, องห่มร้องไห้ซึ่งไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าใครอัดอั้นตันแน่นในหัวใจปล่อยโฮออกมาก็ปล่อยได้เลย <c oughs> เดี๋ยวมันจะระเบิด <c oughs> ปล่อยสักโฮโๆเดียวแล้วก็พิจารณาไปมันก็จะหายละมันเป็นเรื่องของโลกหัวใจของโลกหัวใจของผู้ที่ไม่เคยสนใจเรื่องธรรมท่านให้เอาประโยชน์ ไม่ให้เราประมาทไม่ให้เราตายใจกับมันเพราะความทุกข์เนี่ยมันอยู่ไม่เท่าเดิมอยู่สบายๆมันจะอยไม่เท่าเดิมเดี๋ยวมันก็ไม่สบายมันไม่สบายเดี๋ยวมันก็สบายเนีร่างกายเราอยู่ดิบดีเดี๋ยวนั้นก็โผรมาเดี๋ยวนี้ก็โผรมาเราต้องการนะเราต้องการไหมไม่มีใครต้องการหาภาวะของสิ่งเหล่านี้มันเกิดมีมันเกิดเองมันมีเอง เราจะว่ากรรมเราจะว่าบุญก็บุญกรรมนะั่นแหละถ้าบุญกรรมเราไม่มีเราจะมาไม่มาเกิดในโลกมนุษย์เนี่ยในเมื่อเรามาเกิดในโลกมนุษย์เราต้องเจอต้องพบต้องเจอสิ่งเหล่านี้ต้องแก่ต้องเจ็บเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ต้องตายถ้าเรามีบุญเหนือนี้เราดูพระสงสาวกพระอริยาสาวกเนะ่ยพระสวดาบันนั้นตายไปแล้วไปเกิดบนพรมโลกไปเกิดบนสวรรค์นั่นแนะ จิตของทางพัฒนาไปเรื่อยพัฒนาไปเรื่อยเป็นจักิตาคาเป็นอนาคานืเลื่อนไปสูงสูงนั่นไม่ต้องมายุ่งกับอารมณกามทั้งหลายทั้งปวงทํำยังไงได้ทําใจสงบทําใจให้สงบมก็ได้ทําใจให้สงบที่จริงใจพวกเรามันไม่สงบเพราะอารมณ์การ ม, มันมากวนคำว่าการ ม, มันไม่ไม่ใช่หมายถึงระหว่างเพศไม่ใช่ หมายถึงวัตถุสิ่งของของใช้ของสอยของเล่นของอะไรต่ออะไรสรพัดเนี่ยของอยู่ของกินของหอมของตกของแต่งของอะไรทั้งหมดนี่คือกามถ้าเรียกว่ากามะคุณกามคุณสิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสมีคุณนิดหน่อยมีโทษมาทำไมมีคุณเราจะปฏิตินทำไมบางองท์ทังกว่าไม่มีคุณเลย ถ้าเราพูดถึงหลักประมัดหลักประมัดท่างกับถือว่าไม่มีคุณเลยมีแต่โทษอย่างเดียวแต่เรามาย้อนมาดูหัวใจของพวกเราถ้ามันไม่มีคุณเราจะติดมันเหรอมีคุณนิดหน่อยที่ให้โทษมาเอออย่างนี้มันจะพอฟังได้แต่ถ้าพูดถึงหัวใจพระโสดาพระสกิตาคาพระอนาคาคาพระอนาคาคาด้วยแล้วน่ยไม่มีคุณเลยอารมณ์อกอางตามทันละได้หมดหรือแต่อารมณ์ความหลงในหัวใจพรอนาคามี อารมณ์เหล่านี้มันละเอียดเราไม่ฝึกฝนอบรมเราไม่รู้เราไม่เข้าใจมันจะไม่ค่อยทําให้หัวใจเรามองเห็นความสําคัญหรอกมันเห็นสักเท่าไหเห็นนั่นแหละไม่ให้ความสําคัญเห็นเป็นเรื่องธรรมดาไปหมดแต่ถ้าหัวใจเราละเอียดเราจะเห็นความสําคัญเราจะเห็นคุณค่าของความสําคัญเราจะเห็นคุณค่าของการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเห็นคุณค่าของความสงบจิตเป็นสมาธิ เห็นคุณค่าของสงบวิเวกสถานที่สงบสถานที่วิเวกเพราะสิ่งเหล่านั้นเอื้ออำนวยเอื้ออำนวยไม่มีเสียงไม่มีรูปไม่มีเสียงไม่มีอะไรรบกวนแต่ไอ้เจ้ากรรมอารมณ์ภายในนั่นสิ่งปัจจุบันขนามันขึ้นไม่ได้ยันเราแล้วนั่งหลับตาภาวนาเนี่ย ถ้าเรายังปล่อยให้อารมณ์ภายในมันมากวนสัญญาอารมณ์แะไรมันมากวนมันมาในรูปลักษณะของรูปของเสียงของกลิ่นของรสของสัมผัสของเรื่องราวสารพัดเนี่มันกลุกมันอุ่นมันกลุ่นขึ้นมามันนึกมันคิดมันปรุงเจ้าเจ้าจอมเจ้าจอมอตัวเจ้าตัว จ, จอมของกามคุณ ก็คือเจ้าตันหาในหัวใจนะี่มันแสดงกิริยาหยาบหยาบมาเกี่ยวข้องกับกามากุณมันแสดงละเอียดลึกเข้าไปจนถึงความรุ่มหลงทั้งหมดจนถึงความหลงทั้งหมดหลงหลงอวิชาชาอวิชชาหลงหลงอะไรหลงกองสังขารกองสังขารสังขารที่เป็นรูปกองสังขารที่เป็นน้ากองสังขารที่เป็นรูปก็อยู่เท่าเดิมไม่ได้กองสังขารที่เป็นน้ําคืออารมณ์ในใจของเรา ก็อยู่เท่าเดิมไม่ได้มันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปเราจะเอาประโยชน์ยังไงจากมันไม่ให้เราประมาทไม่ใหเรานิ่งนอนใจไม่ใลชราใจไม่ให้มั่นหมายไม่ให้หวังพึ่งไม่ให้อะไรอะไรใช้สติใช้ปัญญากำหนดจดจ่อตรอดเพราะฉะอะไรเกิดขึ้นท่านให้รู้อะไรเกิดขึ้นท่าให้รู้อะไรเกิดขึ้นท่าให้กําหนดจดจ่อพิจารณาอะไรเกิดขึ้นท่านให้กำหนดจดจ่อพิจารณานี่คือหลักของมหาสติปัฏฐาน ความทุกข์ทั้งหมดนี้มันละเอียดนะแต่ว่ามันเกิดมันเกิดที่ใจของเรานี่นยแหละใจดวงเดียวน่ะมันมาโผล่หมดร้องหผงร้องไห้กมาจากใจนี่เหนียวแห้งเศร้านะโศกในหัวใจนั่งมือลอยนั่นแหละคือทุกข์คือโศกในหัวใจนั่นคือความทุกข์ในหัวใจนั่นแหละร่างกายมันไม่รู้เรื่องเลยหรอกถ้าหามันอัดอั้นตันใจจริงๆมันก็ออกเป็นน้ำหูน้ำตาไหลขึ้นมาเท่านั้นเรื่องของร่างกายมันปล่อยฮอดออกมาเป็นเสียงเท่านั้น ร่างเริงของร่างกายมันเสด็จให้ปรากฏออกมาทั้งรูปธรรมคืออัตภาพร่างกายภาวะอันนี้เป็นภาวะของสัจจสัจธรรมสัจธรรมทุกขังอริยสัจจทุกขังอริยสัจจ์พุทธเาท่นทรงกําหนดจดจอ่อทรงกําหนดรู้กําหนดจดจอ่อพิจารณาใครโครวด้วยพระสติพระปัญญาของพระองค์เองขัดสีเกา่าจนสําเร็จเสร็จ จับสำเร็จรูปตกผลึกมาได้ยากนะทศนะเป็นตปะเดชะตะปะทำแพร่เผาสีที่มันมัวหมองในหัวใจเนี่ยหงื่อแท้งไปหมดกิเลสตัณหาอสัมวนหัวใจแห้งไปหมดเ ห, ห, าาา ห, ห, หงื่ไปหม ด, ห ด, ห ม, ดมันเคยกวนเกี่ยวกับเรื่องอราคะตัณหาอะไรท่อไรดับไปหมดแต่ทั้งหมดนั้นจะดับได้ต่้งแต่เราสงบระงับดับความอยากได้ พระเจ้าจอมของมันก็คือตันหานี่าศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าสามารถสงบระงับดับได้เราไม่ใช่าศาสนธรรมที่เกิดขึ้นจากการบรรลุธรรมลองดูชี้ผิดชี้ถูกเท่านั้นแหละเหมือนว่าเหมือนมัคคุิโคสาละนะ่ะมีโลกมีแผ่นดินรองรับโลกอยู่ <c oughs> แต่พวกเราเราว่าโลกโลกก็คือแผ่นดินก้อนนี้แหละเป็นโลก แต่เขาเนี่ยเขาตอบว่าอมีแผ่นดินรองรับโลกอยู่ถ้าเป็นดินรองรับโลกอยู่แล้วคนมันจะหลุด ล, ล, ลงไปได้ยังไงเนี่ยนรกชั้นนั้นชั้นนั้นชั้นนั้นอเวจีชั้นนั้ น, นชั้นนั้นชั้นนั้นอจุมาบานชั้นนั้นชั้นนั้นเปรียดนรกอสุรกายไปอยู่ชั้นนั้นชั้นนั้นมันตกลงไปได้ยังไงแน่ถ้ า, ามันไม่เกิดขึ้นจากการกระทําการกระทําก็คือความไม่อยู่เท่าเดิมนั่นแหละผลิด ให้มีผลดีเกิดขึ้นในใจผลให้มีผลเลวเกิดขึ้นในใจนี่คือการกระทําคือพฤติกรรมอยู่เฉยๆไม่มีเหตุเกิดไม่ได้ต้องมีเหตุศาสนาของพระพุทธเจ้าสอนอย่างมีเหตุไม่มีเหตุไม่สอนสิ่งใดไม่มีเหตุสิ่งนั้นไม่มีผลสิ่งใดแม้หนึ่งเดียวที่จะปรยจากเหตุกับผลไม่มีนอกจากเหตุเหนือผลเนะี่ย นอกเห็นเน้อผลอันนี้เรามาใช้คําพูดเอาเองนอกเห็นเนื้อผลแต่แท้ที่จริงมันมีเหตุมีผลทั้งนั้นแหละเช่นอย่างผู้ที่ได้อภิญญาสมาบัติเงี้ยหอบินดําดินบินบนอะไรต่ออะไรไดน้นี่ก็คืออะไรเป็นเหตุแต่ท่านไม่มีคุณสมบัติทางด้านจิตใจท่านจะทําได้เลยแน่ชานวิสัยเนี่ยพุทธวิสัย ชาณวิสัยกรรมวิบากโลกกิจินดาผนี้พุทธวิสัยคือวิสัยของรูปติจ้าก็ใช่นั่นแหละเราเอาความคิดของเราไปใส่พุทธิเจ้าเราก็เลยว่านื้อออกเหตุเนื้อผลแต่พระองค์ไม่ตีบตานพระองค์รองตอได้หมดชาณวิสัยของพุทธิเจ้ามันจะอยู่ในความนึกคิดของใคร ดูแต่เขาปล่อยปล่อยช้างนาราคีริงใส่นะเห็นมั้ยโอ้ยดุร้ายตาแดงหูนี่พุ๊บๆๆๆบไปนี่ร้องโอ้อ้าโอ้อ้าโอ้อ้ใส่เข้าไปแผ่เมตตาเข้าไปยุดนิ่งมอบกราบร้องโอ้อๆๆโ่านั้นใครจะไปเห็นว่าพระองค์มีอนุภาพถึงขนาดนั้นเดินจงกรมอยู่เนี่ยฝนตก น้ำท่วมหลากน้ำหลากมานี่น้ำมันกลายเป็นกำแพงกั้นน้ำซะเองไม่ให้ไหลไปลงทําทางจงกรมพระองค์เนี่ยเดินจงกรมสบายเฉยที่ฝุ่นคล้งอยู่นั่นแหละพระองค์รู้เองพระองค์เป็นคนทําเหตุเองนะพุทธวิสัยฌานวิสัยอย่างนี้ฌานวิสัยผู้ที่ยังไม่ได้เป็นพุทธะแต่มีฌานสามารถชงฌานมีความรู้มีความเห็นแปลกปราดอัศจรรย์ท่านรู้เอง เราไม่รู้เราก็ไปใส่โอ้สิ่งเหล่านี้นอกเหตุเหนือผลใช่นอกเหตุเหนือผลคือนอกเหตุเหนือผลของพวกเราเราหัหนวกตาบสถ์สำหรับท่านที่ไม่หูหนุกตาบสถท่านไม่ได้นอกเหตุเหนือผลของท่านมีอะไรบ้างที่ไม่มีเหตุแล้วก็ไม่มีผลสิ่งที่ไม่มีเหตุสิ่งนั้นย่อมไม่มีผลสิ่งไหนที่มีผลสิ่งนั้นย่อมไม่ปราศจากเหตุโลกนี้มีอยู่สองอย่างแค่นี้คือเหตุกับผลเหตุกับผล โลกนี้โลกหน้าโลกที่ไหนๆก็ตามเหตุกับผลโลกอบายเปรตนรคสุรกายสติริชานเหตุใจเลวซามต่ำช้าประกอบช่วยช้าละมกุกหัวใจเฮี้ยมโหดยิ่งกว่าสัตว์นี่มันก็ต้องไปเป็นสัตว์ก็อกวนวุ่นไวายคนอื่นเดือดร้อนทารุณเหมือนฝืนเหมือนไฟไปครอบเขานี่นรกนรกเล่งเล้งงาน ต้องการสิ่งอะไรให้ทำให้เป็นไปตามใจหวังเดมีใครไปขัดข้อโกรธโกรธาดำตาแดงฆ่าแกงสับสับสับสับให้สกใจให้นำใจนี่คือประกอบเหตุต้องไปอบายมีเมตตากรุณามีจิตใจสงบเผื่อแผ่ทำบุญให้ทานให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องศีลเรื่องทานมีความความอ่อนน้อมถ่อมตนสัมมาคารวะนะ มีศินสมบูรณ์บริบูรณ์ตายแล้วไปเกิดบนสวรรค์แน่อยู่เท่าเดิมไหมไม่อยู่เท่าเดิมตายจากมนุษย์นี่เป็นเทวดาบนสวรรค์ถึงมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็ไม่อยู่เท่าเดิมมีสติ ด, ดีขึ้นมีปัญญาดีขึ้นมีคุณธรรมดีขึ้นนะเพราะว่าเขาถูกเหล่าไว้แล้วเขาเหล่าของเขาเองเขาเหล่าเขาเองเมื่อพุทธเจ้าท่านทรงสร้างแล้วบุญบรารมีเหล่านี้เสริมมาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยไม่ไปไหนมันตกอยู่ภาชนะเดียวนั่นแหละ เสือมาเรื่อยเสือมาเรื่อยเสือมาเรื่อไม่ไปไหนแถวไม่ต้องระลึกได้ก็ได้ถึงคราวที่ก็ให้ผลก็จะตามให้ผลแต่ถ้าระลึกได้ก็ดีเพราะการที่เราระลึกได้เกิดกุศลเพิ่มขึ้นถ้าเราระลึกไม่ได้เราไม่ต้องลึกสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ตกล่วงหายไปไหนคอยมาช่วยเ อ, อื้ออำนวยให้กับเราประสบความสุขความเจริญหากมีคนคอยช่วยเหลือก็หนุนหากไม่เหลือบากว่าแรงของกรรม จะต้องมีคนคอยช่วยเหลือเกื้อหนุนเราให้เราให้เร า, เราเพราลอพ้นจากอุปสรรคความขัดข้องอะไรต่ออะไรสรารพัดเหล่านี้ขอสําคัญภายในใจให้มีศีลให้มีธรรมให้มีเมตตากรุณามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผเเอออ่เห็นบุญเห็นคุณของพระเจ้าของพระธรรมของพระสงฆ์เห็นบุญเห็นคุณของพระศาสนาคือพระธรรมเห็นบุญเห็นคุณของพระสงฆ์ผู้อยู่ฝึกฝนอบรมอ่า เพื่อมรักเพื่อผลเพื่อนิพานเห็นบุญเห็นคุณของผู้มีพระคุณเป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูบาอาจารย์เป็นคนผู้มอีอุปการะคุณแก่เราทั้งหลายคนที่มีความเกี่ยวข้องผูกพันกันคือคนทาเหตุให้กับเรานะั่นแหละนั่นแหละคือคนที่มีอุปการะคุณนั่นแหละคือบุญคือบุญคุณคือบุญคุณถ้าแบบ ปฏิเสธหมดก็ไม่มีเหมือนมัคคลริโคสานะมัมีท่าดีไปสวรรค์ไหมท่ไม่ดีไปนรกไหมไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีคนเคยเกิดเป็นยังไงก็จะเกิดเป็นงนั้นตายไปแล้วก็จะไปเกิดเป็นยังงั้นถ้ายางงั้นคนขาขาดแขนด้วยตายไปแล้วก็จะต้องไปเกิดเป็นขาขาแขนด้วยน่ยต้องการไหมตาบอดหูหนวกตายแล้วไปเกิดเป็นตาบอดหูหนวกอีกอยังงั้นเหรอเนี่ นี่คือเอาเหตุผลไปจับเพราะเอาเหตุผลไปจับปับ๊บคำพูดเหล่านั้นมันเป็นคำพูดสุมเดาทั้งนั้นมันไม่มีสัจจะเป็นที่กาหนดเป็นที่ยุติกองทุกท้งหลายทั้งปวงทุกขังอริยสัจจังอริยสัจจังอันหนึ่งก็คือผลของกรรมมีพลังมีอนุภาพให้ผลข้ามภพข้ามชาติทำปัจจุบันให้ผลในปัจจุบันก็มี ทำในอดีตชาติให้ผลในปัจจุบันก็มีให้ในอดีตมาแล้วยังไม่หมดให้ในปัจจุบันในชาตินี้ยังไม่หมดให้ผลในอนาคตชาติข้างหน้าอีกนี่คือกรรมดูเฉพมมะาะมรณะหน่อยห้าร้0ยชาติดูสิเกิดชาติไหนก็ถูกฆ่าถูกฆ่าถูกฆ่าถูกฆ่าเพราะกรรมมันหนักหนาสาหัสฆ่าพ่อฆ่าแม่เท่ากับฆ่าตัวเองตัวเองตัวเองได้มาจากไหนตัวเองได้มาจากพ่อได้มาจากแม่ ตัวเองทั้งดุ่นนี่ยได้มาจากพ่อจากแม่เป็นเนื้อเป็นหนังของพ่อของแม่ค่าตัวเองก็คือค่าพ่อค่าแม่เพราะฉะนั้นกรรมมันจึงหนักหนาสาหัส ต, ต้องถูกเขาค่าตลอดกาลนั่นแหละเกิดชาติไหนก็ถูกค่าตลอดกาลชาติสุดท้ายเป็นพระอาหารหันต์มีฤทธิ์มีเดช ด, ด้วยซ้ำกรรมมันยังให้ให้ผลยังไม่หมดมยังตามมาเอาเลยกรรมยังตามมาเอา ในตํานานก็พูดว่ามาวาระแรกท่านก็หาะออกทางหน้าต่างท่านมีฤทธ์ท่านหาะได้อรูปปัสมาบัตรรู ป, ปรสมาบัติท่านทําได้หมดอ่ะเลื่อนในทางฤทธิ์ตฤทธิ์ขนาดไหนเป็นระดับปรมาจารย์ดต็ตรมหาดต็ตรคนละเข้ามาขโมยจากฆ่าวาระที่สองอีกหาะออกทางหน้าต่างอีกมาวาระที่สามอีกเอเลยพิจารณากรรม พิจารณาไปก็ไปเจอโอ้ยกรรมของเราเนี่ยกรรมของเราแล้วมันเอาไปซะให้มันแล้วซะพราะเราก็หมดพาราแล้วมามาทุบตีท่าก็เข้าฌานสม บ, บัติกรึบกับมันก็นมาทุบตีจนตายแหลกนงล่ะหลากก็ไปโยนทิ้งในกอไม้ข้างนอกปกตินะ่ะพอรู้สึกตัวขึ้นมาอธิษฐานนะอธิษฐานอธิษฐานยังไม่ตายอธิษฐานทายังไม่ เวลาธุลาพุทธเจ้าจะตายยังไม่ได้เพราะได้กำหนดออกจากฌานตามหลักเทวะท่านว่ า, า, วาอยู่ในองฌานเนี่ยใครมาทำอะไรก็ไม่ตายใครมาทาอะไรก็ไม่ตายเราดูแต่สังกิตจักสมณเนเนีน่ยแม่ท้องอยังไม่คลอดน ะ, ะลูกในท้องยังอยู่ เอาไปเผาไฟมันก็ไม้แต่แม่เนี่ยแต่ลูกยังอยู่สดๆอยู่เลยอยู่ในนั้นอ่ะซับปเปลือเลยเขี่ยออกมาเนี่ยเขี่ยอามาเลยเอ็ให้เขี่ยไปถูกตาท่านโบดไปถูกตาท่านนิดหน่อยสังกิจจาสมณีนี่คืออะไรนะถ้าเป็นพวกเรากันนอกเห็นเนื้อผลนีหล่ะแต่ของท่านท่านมีของท่านอยู่บุญบารมีที่ท่านทำเอาไว้แล้ว ผู้ที่จะมีพระอาหารหันต์จะเกิดขึ้นในปัจจุบันชาติจะต้องได้รูุ้เสก่อนทำบรรู้แล้วท่านปล่อยท่านทิ้งไปเลยทำบรรลุแล้วท่านปล่อยท่านทิ้งไปเลยสังกิต จ, จะสำมเนฮินมันอยู่ได้ยังไงเราคิดดูทีอะเหมือนพระอะไรนะพระอะไรนะ มาระ ก, กัดสะสะปาหรืออะไรฮะที่ว่าปลามันหบเข้าไปในท้องแ่ะใช่ไหมนั่นไม่ใช่อะไรอะไรนั้นนะสองตระกูลอะพาลูกไปอาบน้ำลูกมันหลุดมาหลุดมือไปปลามเลยหบเข้าเสร็จแล้วปลาไปถูกง้วนเขามาผ่าเจอเด็กอยู่ในนั้นไม่ตายถามหาพ่อหาแม่ถามไปถามมาอ่ะ เจอแม่เก่าพ่อเก่าแม่ใหม่พ่อใหม่ต่างคนต่างจเยาวพ่อเก่าแม่เก่าเขาก็ไม่ยอมต้องขึ้นโรงขึ้นศาลพอไปขึ้นโรงขึ้นศาลศาลก็ตัดสินว่าเอา้าเลี้ยงดูกันคนรักครึ่งปีเลยได้ชื่อว่าชื่อว่าอะไรเนาะที่ว่าถูกปกครองด้วยสองตระกูลเขาเรียกชื่ออะไรนะลืมแล้วฮะพระพากรั แปลว่าสองตระกูลพากุ ล, ละพากุ ล, ละสองตระกูลน้นทำทําเอกจำได้ไหมนุ่นเอกตาเดียวน่นอ๋ออโฮแปลว่าอะไรวตะแปลว่าอะไรแปลว่าหนอซิแปลว่าอะไรยอมาจากไหน นี่ก็มหาโคกเหมือนกันนะเราเรียนวิทยกรจบอยู่กำลังจะเริ่มแปลแล้วร้อยเบือ่อเบื่อมหาที่มันแสดงกิริยาไม่ดีไม่มีศิลเนี่ยเราเบือ่อเราอูไม่อยู่ดอกไปดีกว่าไปหาลุกปูกเขียนจ้อย